ต, ตาโอหลวงตามหาบูวความกล้าความกลัวไม่มีในตัวท่านแล้วใจกับทรทมกับใจไม่เคลื่อนคลาดแคลว้วหนึ่งเดียวกันแล้วแนวลงคงตัวไม่คลาเขารบครูบูชาธรรมองค์พระสรมมา อยู่ทุกเวลานาทีไม่มีแยกย้ายปริยัตปฏิบัติปฏิเวสิธิสิ้นดังไมยกิเลสมารร้ายสูญหายละลายลมคลื่อนอัญญานิพานนาคาไม่ดีมุ่งมั่นทางนี้เพื่อนิพานไม่พันเป็นอน โดยโยนิโซมานาสิกานอันยังยืนสติปัญญาครบครันในทุกวันคืนทั้งเดินนั่งนอนและยืนกลมกลืนอัตธรรมนำพาสอนธรรมตามปัญญาวิมุตติยานหรือฝืนยืนยันนิพพานไม่ไกลสุดขวา ได้ฟังโยมได้ยินต่างสิ้นต่างข า, าสาบซึ่งศรัทธาโอหลวงตาหมาบุญอัญญานิพานนาคามินี ทานทางนี้เพื่อนิพพานมิพันเป็นอื้อ้วยโยนิสโสมาณสิการอันยังเยืนสดิปัญญาเพราะครันในทุกวันคืนทั้งเดินนั่งนอและยืนรุมกลืนอัตธรรมนำพาสอนธรรมตามปัญญาวิมุตติญาณ รือฟื้นยืนยันนิพพานไม่ไกลสุดความพระเดนได้ฟังโยมได้ยินต่างสิ้นกังคาสราบซึ่งศรัทธาโอหลวงตามหาโพ